ที่เข้าใจก็คือเข้าใจว่าใ ห, ให้พยายามเพ่งให้น้อยลงนะครับให้ให้รู้มาจากความตั้งใจน้อยลงให้เพ่งน้อยลงให้ปล่อยมากขึ้นนะครน้อยลงก็แดงมันยังเพ่งอยู่เลยแต่มไม่ปล่อยให้หมดเลยแล้วทำไมวะพราแดงมันเพ่งจากข้างนอกเข้าไปข้างในอะทำมันไม่ไม่เราร่วมผิดเราก็ไม่ปล่อยวางแบบพฤติกรรมในนั้นจะไปทํา ยังปล่อยยังปล่อยไม่ได้เลยฮือยังปล่อยไม่ได้เราก็ไม่ต้องปล่อยวางไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องตั้งใจปล่อยไม่ใช่ถ้าเราเห็นว่ามันเพลงเราเห็นว่าเดินไปนขันห้าแค่นั้นไะไอตัวเพลงที่รู้จักข้างน อ, อกไปข้างในเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นขันห้ามันเป็นสังขารเป็นตัวปรุงแต่งเราก็วางมันไปแล้วก็ ให้มาเป็นรู้ใครรู้ว่าเพ่งใครรู้ว่าเพ่งจากข้างนอกมาข้างในอันนั้นน่ยมันเป็นธรรมชาติรู้แต่ไอัที่รู้ว่าเราเพ่งจากข้างนอกเข้าไปข้างในมันเพ่งอัดเข้าไปเนี่ยมันปรุงแต่งเพ่งอัดเข้าไปในตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวปรุงแต่งเราเห็นเป็นตัวแต่งหรือเป็นสังขารหรือเป็นตัวปรุงแต่งไอ้ตัวนี้เป็นตัวเกิดดับเป็นตัวที่ต้องแตกต้องทําลายไปพร้อมกับชีวิตเราแต่ไอัที่รู้สิที่รู้ว่ามีการเพ่งมีกิริยาการเพ่งจากข้างนอกเข้าไปข้างใน ไอ้รู้วันนั้นเน่ยเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชาติของธาตุรู้เราเข้าใจไม่เข้าใจอธิบายอธิบายกลับสิโดยหลักการก็คือธาตุรู้เนี่ยถ้าสมมุติเราสัมผัสถึงธาตุรู้จริงๆแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างเยี่ยมพูดอย่างนี้มันยังไงวาคุ้มเขื่อะเดี๋ยวเดี๋ยคือตอนนี้ผมยังยังอาจจะยังไม่ถึงธาตุรู้อก็เลยไม่คือเลยตอบตามหลักการแต่ว่าโดยจริงๆก็คือ คือตอนนี้ยผมก็ยังแบบพยายามเอาัาง้งเข้ามาดูข้างในเพราะว่าอี้ก็พยายามฟังคือคือพอฟังปุ๊บก็จะทึบๆอยู่ข้างบนอะไรอ่ะก็พยายามปล่อยเอาไปแล้วก็มันก็ยิ่งทึกก็เลยก็เมื่อกี้ก็หากลวิธีอะไรอยู่เหมือนกันมันถูกไหมอย่างเงี้ออยอีอธิบายดิมันถูกมไหมแบบนี้ทําแบบเนี้คือเมื่อกี้ตอนที่หลวงตาคุยกับพี่เขาอะค่ะอีลอง มีลองแบบมีมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนมันจะรู้สึกว่ามันรู้ได้เองจริงๆโดยที่ไม่ต้องใจไม่ต้องตั้งใจจริงๆด้วยใน เ, ออ เ, เหมือนแบบรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเรามีสติอยู่กับตัวเองตลอดมันมันไม่ต้องตั้งใจก็ได้จริงๆด้วย อ, อ๋ <laughs> อก็ถูกต้องนะออมันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติ ของความรู้มันเป็นความรู้ตามธรรมชาติไม่ใช่เราเป็นคนรู้มันเป็นความรู้ตามธรรมชาติแต่ความรู้ตามธรรมชาติเนี่ยมันอาศัยสติในขนัน้ามาช่วยสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยอาศัยสติของขนัน้ามาช่วยคือช่วยอะไรช่วยให้เรามีสติคือเราเนี่ยช่วยตัวเราแค่มีสตินั่นแนะแต่ไม่ต้องไม่ใช่ว่าช่วยมารู้ตัวเรา ช si nee ่วยตัวเราให้มีสติอย่าไปทำอะไรให้อยู่เฉยเฉยช่วยมีสติอย่าไปหมกมุ่นอย่าไปทำอะไรให้อยู่เฉยเฉยธรรมชาติมันก็จะรู้ตัวเราเองไงมันก็จะรู้ตัวเราเองโดยธรรมชาติแต่เขาเนึกำันพยายามไปทำแม้แต่พยายามจะไปทำให้มันไม่เพ่งใส่ตัวเองก็พยายามไปทาอยู่แน่ๆถ้าเราพยายามไปทำอะไรอยู่มันก็เท่ากับไม่มีสติมันก็เลยไม่รู้สัทีคือเหมือนกับว่าแค่เรา พยายามใช้สติของขันหา้พยาพยามีสติแล้วก็ตัวสติมันจะทําให้เรารู้ด้วยตัวเองใช่หมใชถูกต้องแนละ้วเพราะว่าสติกับความรู้มันคู่กันมันอยู่ด้วยกันมันคู่กันมันทํางานร่วมกันความรู้ท่านรู้เนี่ยมันต้องอาศัยสติถ้าไม่มีสติไม่มีความรู้จะถ้ามีสติอยู่ก็มีความรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติคิดคิดว่าพอเข้าใจอะค่ะอืม ไม่ใช่ว่าเอาสติไปรู้นะไม่ใช่เอาสติไปรู้คือสติเนี่ยช่วยทําให้ไม่ไม่หลงมเบ อ, อ, อ, อร์เพิร์ไปฟุ้งซ่านอะไรความรู้มันก็เลยรู้รู้ของตัวเราเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราไม่ใช่ว่าเอาสติไปรู้เอาสติไปไปรู้ตัวเราดูกลับเข้าไปในตัวเราอันเนี้ยอันนี้มันดูจากขา้างนอกเข้าไปข้างในอันนี้ตัวปรุงแต่งอันนี้เท่ากับไม่มีสติถ้าเราเนี่ยเอาสติไปรู้ตัวเราเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ย เอาสติแล้วมาปรุงแต่งเอาขันห้าตั้งรู้ขึ้นมันแล้วก็มันรู้เข้าไปในตัวเรารู้ย้อนอยู่เข้าเพ่งเข้าไปอัดเข้าไปในตัวเราเราเนี่ยช่วยให้สติเพียงว่าไม่ให้มันเหมาเพ้ อ, อๆท่านนี่นนไม่ ห, หมกมุ่นปรุงแต่งอะไรอยู่มันเฉยๆเดี๋ยวธรรมชาติันจะรู้เองอไยสติมันเพียงแต่ว่าช่วยให้เราเนี่ยทั้งกายวาจาใจาเราอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าในตัวเราเป็นยังไงร่างกายเราทําอะไรอยู่ คิดพูดทําอะไรอยู่ในใจมันจะรู้ขึ้นมาเองสบายกายสบายใจไปสบายกายไม่สบายใจคิดนึกนคือตอนพุงแต่งอะไรไมันจะรู้ขึ้นมันขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นมาเองเพราะเป็นธรรมชาติเราจะก็บอกแล้วว่เาเราลองด้วยว่าถ้าเราไม่เหมื่อเพลินไม่ไปหมกมุ่นคุณคิดทําอะไรอะ่ะแล้วเราลองดูด้วว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้ให้ไม่รู้ตัวเราแล้วก็ทํำยังไง<ม>ได้ไหมเออไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลย เพราะเป็นธรรมชาติถ้ามีสติอยู่มันต้องรู้ตัวเราถ้ามไม่มีสติอยู่มันก็ไม่รู้ตัวเราเพราะว่ามันเอาสติไปตั้งที่อื่นไงเอาสติไปตั้งที่คนนู้นมันก็ไปรู้เรื่องของคนนู้นเอาสติไปตั้งไว้ที่อะไรมันก็จะไปรู้เรื่องแต่สิ่งนั้นเอาสติไปตั้งไว้ที่โทรทัศน์มันก็ไปรู้แต่เรื่องในโทรทัศน์เอาสติไปตั้งไว้ที่เกมมันก็รู้เรื่องแต่ของเกมอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสติ <c ười> คือมันไปรู้แต่เรื่องข้างนอก แต่มันไม่รู้เรื่องของตัวเราเองสติเนี่ยสติเนี่ยมันช่วยให้มารู้เรื่องของตัวเราเองแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้แต่สติทางโลกโลกคือเวลาจะทํางานเนี่ยเราก็ต้องเอาสติไปตั้งที่งานแล้วก็รู้เรื่องของงานแต่เวลาไอ้คนที่เป็นเก่งๆแล้วเนี่ยมันก็มีสติในการทํางานโลกโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมันมันรู้ตัวมันไม่เหม่อไปกับอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถรู้ตัวมันเองไปพร้อมๆกับเวลาที่ทํางาน ว่าเรานั่งทำงานอยู่เราก็จะรู้ตัวเองว่านั่งทำงานเราไม่ได้ยืนทำงานเออถ้าเรายืนทำงานอยู่เราก็รู้ว่าเรายืนทำงานอยู่เนี่ยมันก็คือรู้ไปพร้อมกันนะไม่ใช่ไปตะวแดงเข้าใจออนึกยังงงงงเหรออ๋อเดี๋ยวมันงงหลายชั้นยังไงไงอ่ะนั่งงงเหรออธิบายจิกลับที่อ๋าเปนงงยังไงนึกจะได้จำให้ช่วยหลายคนเข้าใจด้วยเนี่ยหรือจะให ปันช่วยอธิบายก่อนอ่านึกช่อยสงให้เลยอ่าปันช่วยช่วยนึกได้คือมันจะมีคําเปรียบเทียบประมาณว่าผู้รู้เนี่ยเหมือนเป็นแบบกระจกตาของใจก็คือผู้รู้เนี่ยมันก็ได้แต่รู้ว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นในใจไม่ว่าแบบมันจะไปคิดหรือมันจะไปทํานู่นทำนี่กิริยาการท่าทางอะไรไงก็ได้แต่รู้อันนี้คือธรรมชาติของรู้ครับก็เหมือนที่ตาเรามองเห็นเนี่ย คือตามันก็ได้แต่มองภาพว่าแบาบอ่าตรงนี้มีพัดลมนะมีหลว ง, งตานั่งอยู่ข้างหน้านะอะไรเงี้ยครับคือมันก็ได้แต่มองไม่ใช่ว่าแบบจะไปทําประมาณว่าเออตอนนี้อยากจะมองนะเดี๋ยวมองหน่อยแล้วกันคือมันทำงั้นไม่ได้เพราะคือแบบตามมันก็มองของมันอยู่แล้วมันเห็นภาพของมันเป็นตับเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับมันไปแบบไปเหมือนแบบมีคําสั่งขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวตอนนี้ค่อยมามองกันตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ไม่อยากมองอะไรเงรี้ยมันแบบ ประหลาดอ่ะมันมันไม่มันไม่ใช่ธรรมชาตินะตัวผู้รู้เนี่ยก็เหมือนกันมันก็ได้แต่รู้ว่าแบบเออตอนนี้ก็คือเราเห็นคนที่เราเกลียดนะคนที่เราชอบนั้นอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เราไม่สบายอันนี้เราเครียดเราพูดทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่รู้ของมันอ่ะโดยที่แบบมันก็รู้รู้แบบอันนี้มุ่งแต่งหรืออะไรเงี้ยหรือว่าบรู้ว่าเรากำลังพยายามไปรู้อะไรเงี้ยคือ คืออะไรที่แบบมันมีการกระทํามีท่าทางมีอะไรที่แบบเหมแบบเราจะไปทํานู่นทํานี่เราจะพยายามอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นสังขารหมดนะครับคือถ้าอะไรที่มันทําได้เรารู้ได้อันนั้นคือสังขารแต่ผู้รู้เนี่ยมันรู้ตัวเองไม่ได้แล้วก็ได้แค่รู้ว่าแบบมันก็รู้ของมันไปเรื่อยๆมันก็รู้ของมันคืออะไรที่ถูกรู้ได้มันเป็นสังขารหมดนะครับจะว่าเห็นจะได้ เมื่อกี้ตอนที่ฟังปั่นพูดนะครับก็คือฟังไปด้วยก็คิดไปด้วยอ ก, ก็คิดไปแล้วก็มันก็วนกลับมากลับมาฟังเลยนะครับแล้วก็กลับมาคิดไปเรื่อยๆที่ที่สงสัยก็คือที่เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าให้สติเนี่ยอย่าเอาของภายนอกเนี่ยมาย้อนกลับดูภายในนะครับ ตอนตอนที่ฟังีผู้ตัดเราแรกเนี่ยก็สงสัยว่าเอแลอ้วงี้ตอนที่เราทํางานในทางโลกเนี่ยเราก็มีสติในทางโลกถ้าสมมุติว่ายังไม่มีอะไรเผลอหลุดออกไปนะครับก็สมมุติว่าอยู่ตรงนั้นณเวลาในขณะในช่วงเวลาใดขณะหนึ่งอ่ะเอ่อในช่วงเวลานะเราจะสมดุลยังไงระวังข้างนอกกับข้างในคือบางครั้งเราหลุดไปข้างนอกหมดเลยจนไม่มีข้างในบางครั้งเนี่ยเราก็พยายามดูข้างในจนเราไม่สนข้างนอกอะไรอย่างที่เป็นมานานนะ ก็เลยตรงเนี้ยยังสมดุลไม่ได้ลวะวะจะทำํำไงให้มันใ ห, ให้มันเท่ากันให้ในจดจำถ้ารู้ออกมาจากใจเยได้แต่รู้เนี่ยมกิไม่ต้องไปหาสมดุลมันเป็นยังไงก็ได้แต่รู้เราไปหาสมดุลไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนรู้ ถ้าเราเป็นคนรู้ที่เราหาสมดุลได้เหมือนอย่างที่ปันปันก็พูดถูกคือเธรรมชาติของปกติ เ, ญญนนตตเนี่ยถ้าเราพูดถึงละเอียดถึงวิญญาณขันมรู้ผ่านทางตาไปให้เห็นรูปเนี่ยนี่ถ้าเราพูดจับยากก็คือว่าธรรมชาติของตาเนี่ยมันก็ถ้าตาภาษาตาไม่เสียมันก็เห็นรูปไปเองอ่ะคือมันเป็นความรู้โดยธรรมชาติเมื่อมีรูปผ่านมาให้ตาเห็นเนี่ยตาต้องเห็นไม่ใช่ว่า ต้องเดี๋ยวขออยากตั้งใจเห็นรูปนี้ก่อนตาค่อยเห็นรูปไม่ใช่คือมีรูปผ่านมาตามองเห็นเลยพอมีเสียงเต้าเต้าหูไม่หนวกมีเสียงปุ๊บหูได้ยินเสียงเลยไม่ต้องว่าเดี๋ยวขอตั้งใจฟังเสียงก่อนแต่แต่ถ้าเราเนี่ยจะตั้งใจว่าเสียงเนี่ยมันมีรายละเอียดว่าไงพูดว่าอะไรเราต้องตั้งใจฟังแต่ความรู้เสียงตามปกติเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติแท้ๆเลยเวลามีตาเห็นรูปเนี่ย มีตาเหรูปตาไม่บอดมีรูปผ่านมาเนี่ยตามองเห็นเลยตาไม่ต้องขอตั้งใจมองรูปก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอารายละเอียดของรูปตาต้องตั้งใจ <c oughs> คือใจเนี่ยมันต้องตั้งใจมันจะเอารายละเอียดแต่ถ้าเป็นชาติของตาธรรมดามันก็จะมองแค่เห็นรูปเนี่ยแต่ความตั้งใจอยากจะรู้รายละเอียดเป็นความตั้งใจของเจ้าของอยากจะเอารายละเอียดกับรูปนั้นหูก็เหมือนกันน่ะถ้ามีเสียงปุ๊บ หูก็ได้ยินเสียงขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องมาตั้งใจฟังเสียงแต่ถ้าจะเอารายละเอียดเนี่ยเจ้าของอยากได้รายละเอียดเน่ยเจ้าของต้องตั้งใจธรรมชาติของรู้เนี่ยร่างกายเรานั่งยืนเดินนอนเนี่ยมันรู้ขึ้นมาเลยไม่ต้องไปตั้งใจที่จะรู้เหมือนกับตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงมันก็คือรู้มาเลยเราเป็นคนพูดหรือเป็นคนหยุดพูดมันก็รู้ขึ้นมาเลยโดยไม่เดี๋ยวขอตั้งใจดูก่อนว่าเราหยุดพูดหรือเราพูด เรานั่งหรือเรายืนหรือเรื่อนอนเดี๋ยวข็ตั้งใจดูก่อนมันไม่ต้องอ่ะแล้วเราสบายกายสบายใจที่เป็นเวทนาไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็รู้ขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งใจมาดูตัวลรก่อนขนาดเราตั้งทํางานในชีวิตประจําวันเนี่ยสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจรู้ไหมทางานไปด้วยความสบายใจทํางานไปด้วยความไม่สบายใจต้องรู้ไหมมันก็รู้ไปมันก็ไม่ต้องไปตั้งใจมันรู้ไปเลยใช่ไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนตายเห็นรูปเป็นธรรมชาติก็ต้องเห็นไปเลยหูเนี่ยพอมีเสียงปุ๊บมันก็ได้ยินไปเลย ที่ไอ้ความรู้เนี่ยที่รู้มาจากใจเนี่ยที่เป็นธาตุรู้เนี่ยมันก็รู้มาเลยไงโดยไม่ต้องว่าพอตั้งใจก่อนเพราะเป็นธรรมชาติอ่ะมันรู้ของมันเลยมันรู้ของมันเองมันรู้ของมันเองเวลาเราคิดในใจยกุยกยกิยกยุกยอะไรในใจเนี่ยหรือไม่คิดคิดหรือไม่คิดอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้ของมันนั่นเองแต่ถ้าเราเราจะเอารายละเอียดว่ามันคิดอะไรอย่างนี้เราก็ต้องตั้งใจเจ้าของต้องตั้งใจขึ้นมาเหมือนกับตายเห็นรูปเนี่ย ตามก็มองเห็นรูปตามธรรมชาติผมมีรูปผ่านมาปุ๊บตาก็เห็นด้วยอัตโนมัติเพราะตามไม่บอดแต่ถ้าจะเอารายละเอียดว่าคนนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างแหมสวยมากเลยถูกสเปคอย่างนู้นอย่างนี้มันต้องตั้งใจที่จะรู้รายละเอียดแต่ถ้าไปรู้ตามธรรมชาติมันมันก็รู้ไปเลยโดยไม่ต้องเอารายละเอียดได้ยินเสียงถ้าไม่ต้องใจไม่ตั้งใจรายละเอียดมันก็รู้ไปเลยธรรมชาติของท่านรู้มันก็รู้แบบตายรูปหูฟังเสียงคือมันก็รู้ร่างกายเราเนี่ย รู้ ร, ร่งกาจิตใจเรารู้อย่างตรงไปตรงมาซื่อๆตรงๆไปเลยเพราะว่ามันไม่ต้องตั้งใจคือมันรู้ไปเลยโดยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนรู้มันก็เลยเป็นความรู้ที่มันไม่ได้ต้องตั้งใจอะไรเพราะว่าถ้าตั้งใจต้องเราต้องเป็นคนรู้เอาลายละเอียดแต่ไม่ต้องการลายละเอียดเอาแค่รู้มันก็รู้ไปเลยแต่ถ้าต้องการเอาลายละเอียดแม้แต่ตาเห็นรูปต้องการเอาลายละเอียดก็ต้องตั้งใจที่จะเห็นพฟังต้องการฟังว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่พูด อย่างนี้ยดวงตาพูดมีรายละเอียดว่ายังไงก็ต้องตั้งใจฟังแต่ถ้าเจ้าเสียงอย่างเดียวหูได้ยินไปเลยเจ้าเห็นรูปรู้ไปเลยแต่เอาแค่รู้ว่าเรายืนเดินนั่งนอนหยับหยพูดพูดหรือหยุดพูดมีสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมีอะไรยุกยุกยิบอยู่ในใจไม่ต้องการรายละเอียดว่าเราคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับใครอย่างในคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปที่กุศลนอกนไม่ต้องการรู้รายละเอียดพวกนี้มันรู้แต่ว่ายุกยิบุกิกยิในใจแค่นี้ไม่ต้องการรายละเอียดพวกนี้ไม่ต้องตั้งใจ แต่ต้องการรายละเอียดว่าเราคิดดีคิดชัว่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลไมกุศลอย่างนี้ต้องปรงแต่งขึ้นมาคือต้องตั้งใจที่จะรู้แต่ถ้ารู้แต่เพียงธรรมชาติของอาการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ต้องตั้งใจกายนั่งอยู่ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินทํา น, น, านู่นทํา น, า น, นี่เราก็แค่อยู่ตามปกติเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่ากายเราทําอะไรอยู่แต่ถ้าเรารายละเอียดว่าเรากําลังทํางานเรื่องอะไรมีรายละเอียดว่าอย่างไงแบบแผนว่าอย่างไรอย่างนี้ต้องตั้งใจอย่างนี้เป็นตัวปุงแต่ง หรือต้องใช้การปรุงแต่งเพิ่มเพิ่มเข้ามากับความรู้เราพูดหรือเราหยุดพูดเราต้องตั้งใจไหมเนี่ยอย่างเงี้ยท่านเป็นฝ่ายหยุดพูดหรือว่าเป็นฝ่ายพูดท่านตอบทีไม่ต้องตั้งใจเออไม่ต้องตั้งใจใช่ไหมท่านเนี่ยนั่งหรือยืนตอนเนี้ยท่ารู้ว่าท่านนั่งอยู่ท่านต้องตั้งใจรู้ไหมไม่ต้องใช้ความตั้งใจแต่ถ้าจะเอารายละเอียดต้องตั้งใจ เนี่ยสบายกายสบายใจถ้านั่งอยู่ตอนนี้นั่งฟังอยู่ตอนนี้สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจรู้ไหมรู้ถ้าไม่มีรายไม่ต้องการรายละเอียดมันรู้ขึ้นมาเลยในใจเนี่ยพระท่านไม่ต้องการรายละเอียดว่ามันคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนกุศลไม่ต้องเรียกมันว่าคิดด้วยแต่ในใจเราเนี่ยมันมีอาการอะไรหรือไม่มีอาการอะไรรู้ไหมรู้เห็นไหมถ้าท่านไม่มีรายละเอียดถ้าไม่ต้องตั้งใจแต่ถ้าจะเอารายละเอียดต้องตั้งใจไอ้ตั้งใจเนี่ย คือมันบวกกับความปรุงแต่งเข้าไปผสมกันรู้อย่างที่ไม่ต้องตั้งใจนั่นน่ยคือรู้เป็นธรรมชาติแท้ๆหรือรู้แบบธรรมชาติแล้วอันเนี้ยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายแต่ไอตัวที่ที่คิดที่พูดที่กระทำไอตัวเราขนานหน้าเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวไปมาที่มันพูดได้คิดได้พูดกระทําอะไรได้ไอตัวนี้แตกดับทําลายต้องตาย แต่รู้แต่แท้นั่นแหะรู้ที่เป็นรู้อย่างเป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องตั้งใจอันนั้นไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทํำลายอันนั้นคือเราแท้แท้ที่เป็นอมตะให้อยู่กับรู้นั่นแหละอยู่กับรู้อยู่กับ ร, บรู้อยู่กับรู้นั่นแหละคือแล้วที่อยู่กับรู้นั้นหมายถึงไงก็คือว่าไอ้ที่ตัวเราที่ถูกรู้วางมาในหมดไอ้ตัวเราที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องถูกปล่อยวางหมดที่ตัวเราที่พูดได้ที่อยู่พูดพูดได้ ไอ้ตัวเราที่มีสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจไอ้ตัวเราที่มันมีอาการมีอาการอะไรยุกยิบยุกยยุกยิบเดิใจไม่ต้องรู้ว่ามันดีมันชั่วมันบุญมันบาปภูมิสนคือปล่อยวางมันหมดเลยไอ้ตัวเราที่แสดงกิริยาการต่างได้ทั้งหมดทั้งการคิดการพูดการกระทาเนี่ยปล่อยวางมันหมดไม่เข้าไปยึดถือมันเพราะเรารู้เลยว่าเราแท้ๆคือผู้ที่มารู้ตัวเราแต่อย่างงี้ท่านอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยท่านเพียงแตอยู่คนเดียวงี่แว ต้องทําอะไรยกเว้นขาดจากการปรุงแต่งพยายามไปทําอะไรโดยที่เชิง น, นะแล้วก็อย่ขาดสติเมื่อเพลินหมกุ่นไปกับอะไรปรุงแต่งอะไรที่เฉงเงียบๆแล้วปล่อยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดก็มันเองแล้วมันดับมันเป็นเองภายในร่างกาย จ, จิตใจเราปล่อยมันเกิดขึ้นเองดับไปเองเกิดไปเองดับไปเอ ง, เองเนั่นแน่แล้วเวลาพอตายแล้วไอ้สิ่งที่เกิดเองแล้วดับเองมันก็เกิดเองมันก็ดับมันไปเองเพราะมันเป็นไฟเกิดไฟดับแต่ไอัที่ ไอ้รู้เนี่ยจะมันเห็นว่าอะไรก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแต่มันน่ะไม่ปรากฏตัวตนหรอกมันก็ได้รู้ว่าไอ้ร่างกายเราที่ปรากฏเนี่ยการคิดการพูดการกระทําที่เกิดเองดับเองไอ้นี่ตายแตกดับไอ้ที่รู้ไว้ตัวเนี้ยมันมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองทั้งการคิดการพูดการกระทําไอ้ที่รู้นี่เนี่ยไม่แตกไม่ดับไม่ทําลายเราก็ฝึกหัดอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆไปนั่งหลับตานิ่งๆไงคืออยู่กันเดียวงี้เงียบแล้วเราก็เว้นขาดจากการกระทําใดเดีวสิ้นเชิงไปในใจ แล้วก็อย่าอย่าไปหมก ม, มุ่นคุณคิดอะไรอย่าไปพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรแล้วจะปล่อยฟุ้งซ่านไปเดี๋ยวเราก็จะรู้สิ่งนี่เคลื่อนไหวเกิดขึ้นมาจุ๊กจิกจุ๊กจิกุกจิกุกิกในใจเรามันเกิดขึ้นมาจุ๊กจิกจุ๊กจิกุกจกอยู่ในใจที่ไม่เคลื่อนไหวไอ้ผู้รู้เนี่ยไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลยแต่มันมีสิ่งที่ปรากฏจุ๊กจิกจุ๊กจิกุก เพราะวันนี้ยต่ไม่มีใครไปไม่มีใครไปเสบยไม่มีใครไปรับไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่น่อไอพวกจิ๋มันยุกยิบยกยิเนี่ยมันก็เป็นอิสระเลยเกิดดับอย่างอิสระของมันไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดถืออันนั้นเนี่ยใจมันก็จะว่างเปล่าไปหมดเลยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเพราะว่าธรรมชาติของใจที่ไม่ยึดถืออะไรเป็นมาเป็นที่ได้แต่รู้เนี่ยมันว่างเปล่าเลยธรรมชาติมันมันเกิดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลไปเลยไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างๆในใจนะ มันรู้สึกว่าไม่มีตัวใจมันเหมือนกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนดั่งจักรวาลไอุ้กยี่กูยกูยกูยี่กูย่กูยังยกยี่ยี่อยู่ในใจที่มันเหมือนจักรวาลเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็รู้ว่าใจเท่านั้นเนี่ยที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไอ้อาการยุกยี่กังหมดเนี่ยเป็นสิ่งทกิดดับแตกทําลายรวมทั้งผู้พูดรวมทั้งผู้ดีร่างกายที่เคลื่อนไหวไปมาเป็นสิกแตกดับทํำลายผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้วิเคราะห์ผู้วิจารณ์วิจัยผู้ใคร่ควรผู้ประมวลผลอะไรดับหมด แต่ความรู้นั้นไม่ดับเพราะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับมันเ่รงวางไพสารเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแต่ไม่ใช่ว่าเรายังยึดอยู่แล้วเราไปหาไปทำใจไปทาใจเราเวงวางไพาลนนะไม่ใช่นะคือมันเป็นผลที่เราเนี่ยไม่ยึดอะไรได้แต่แค่รู้ใจมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติปกติของเขาไม่ใช่ว่าเราไปทำใจให้มันว่างมันเลยกลายเป็นว่าง จากความปรุงแต่งใดๆเพราะมันไม่ยึดความปรุงแต่งไม่ยึดถือสังขารเลยมันกลายเป็นใจที่ไม่สังขารเป็นวิสังขารหรือสังขาตถาทัเพราะมันไม่ไปยึดสังขารมันมันเป็นใจที่ไม่สังขารเพราะมันสิ้นความยึดสังขารไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งให้ใจอ่ะมันว่างเปล่าไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นสังขารมันเป็ของปลอมอย่างงี้ก็เรียกว่าเราจะปรุงแต่งให้ว่างไงมันก็คือเหมือนกับเราทําทองปลอมแล้วไปขาย มันไม่ใช่ทองแท้ทองแท้ต้องเกิดจากความสิ้นยึดสังขารสังขารก็คือเนี่ยสังขารมันมีสามอย่างคือสังขารกายสังขารวาจาแล้วก็สังขารจิตสังขารในร่างกายมีสามอย่างคือสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตเราสิ้นยึดทั้งสามสังขารเนี่ยมันก็จะเป็นวิสังขารด้วยอัตโนมัติเป็นใจที่เป็นวิสังขารอัตโนมัติแต่ของนึกเนี่ย พยายามจะเอาไอ้ตัวสังขารทั้งสามเนี่ยคือสังขารกายสังขารวาจาสังขารจิตไปหาใจที่ว่างเปล่ามันคนละเรื่องกันปฏิบัติกับด้านเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจหมายถึงสรุปให้คมคมอะไรนะคมชัดลึกน่อยดิก็ยืมคำมาพูดหน่อยสรุปให้คมชัดลึกหน่อยพยายามไม่ใช่พยายามก็คือทำไงก็ได้ให้ปล่อยสิ่งที่ เรารู้ให้หมดนะครับก็คือรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพอรู้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องสนใจว่าเรารู้อะไรสิ่งนั้นมันพอรู้มันก็ ม, นกมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็จะดับไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นสาระแกนสานะครับให้ดูอาการที่รู้ตามธรรมชาติที่มันที่มันรู้อยู่อะครับแล้วก็ก็จะปล่อยสิ่งที่ถูกรู้ออกไปอืออ๋อไอ้ยีสรุปมาเด้อไ้คมชัดลึกไง น, นะไอ้บาดใจเจี๊ยบไงเด้ ก็ที่ฟังเมื่อกี้ค่ะที่พี่นึกถามเรื่องการหาสมดุลนะคะก็คือเหมือนหยีกะได้คําตอบว่าที่ผ่านมาที่หลวงตาบอกว่าหยีทําไม่ต่อเนื่องอะค่ะเพราะว่าเหมือนพอหยีทํางานใช้ชีวิตประจําวันเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาดูตัวเองเสร็จแล้วเราก็กลับไปทํางานแล้วก็กลับมาดูตัวเองแล้วก็จะเกิดคําถามว่าเราจะหาจุดสมดุลที่ตรงไหนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราไม่จําเป็นต้องหาสมดุลเลยเพราะว่า ตัวที่ทํางานกับตัวที่รู้มันคนละตัวกันคือแต่ก่อนเนี่ยเราเหมือนมีขันห้าก้อนหนึ่งแล้วเราก็แบ่งว่าเอาขันห้าช่วงช่วงนี้เอาขันห้าไปทํางานช่วงนี้เอาขันห้ามารู้มันก็เลยเหมือนแบบต้องหาสมดุลว่าไอ้เจ้าแบ่งยังไงดีแต่ว่าตอนนี้เหมือนเข้าใจว่าเวลาทํางานเราก็ใช้ขันห้าทํางานแล้วก็เราก็มีสติอยู่กับตรงนั้น เสร็จแล้วเมื่อเรามีสติเกี่กับขันห้าที่กำลังทำงานตัวรู้มันก็จะรู้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาสมดุลเพราะว่าตัวที่ทำงานกับตัวที่รู้มันไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่จาเป็นต้องแบ่งอะไรค่ะลเอียดดีมากเลยเอตลุ่ิธีนเนี่ยตลุ่ยจีนเออจีตลุ่เก่งมากเลยจันละเอี ทำให้เราเข้าใจขึ้นไหมเ อ, า อ, อ้าออใจยังไงเข้เาใจครับเข้าใก็สรุปดีอยู่แล้วไม่ไม่เี้อะไรจะเพิ่มเติมใช่ไหมป า, นปา น, มานปานอ่ามันจะสรุปอะไรคมชัดลึกอ น, น่อยนภาษาไม่รู้ในบาดใจหน่ะยนี้คือไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็แค่รู้อยู่กับปัจจุบันก็พอครับแค่นี้ครัม เข้าใจแลนะ้วเนาะตอนนี้ก็ความเพียรเพียรสติยาขาดเพียนอย่างเดียวคือสติยาขาดส่วนความรู้เป็นหน้าที่ของเขาเองเหมือนที่ผ่านมาอยีทาต่อเนื่องไม่ได้เพราะว่าหยีใช้ขันท่าเป็นตัวดูหยีก็เลยรู้สึกว่าหยีต้องคอยแบ่งอ่ะคะ่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้ก็ก็รู้แล้วว่าจริงๆเล้วมันมันไม่ต้องถ้าถ้าเกิดว่าดูจากตัวรู้จริงๆแล้วมันไม่ต้องแบ่งเพราะว่ามันคนละตัวกันอถูกต้องแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะลองปฏิบัติใหม่ด้ยค่สาธุเรามีหน้าที่เพียนอย่างเดียวคือเพียนมีสติไม่ใช่เพียนไปรู้เพียนมีสติความรู้มันรู้กันเองสติที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้ที่ไหนสตินั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันถ้าเราสติมีอยู่ความรู้ธาตุรู้ตามธรรมชาติเขาก็จะรู้ทําหน้าที่รู้ของเขาเองไม่ใช่มีหน้าที่เราไปคอยรู้เรามีหน้าที่เดียวคือจะมีสติ สติยาขาดอย่าเมื่อเพื่อเพินติดไปกับอะไรอย่าเมื่อเพื่อเพลินคิดฟุ้งสานดี่หลดพยายามทำไรเป็นอะไรสติยาขาดอาะดู